พระบัญญัติ553ร55ก็ภิกษุใดรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านเคี้ยวหรือฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านกระผมต้องทำคือปาเทิเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสปายะกระผมขอแสดงคืนทธรรมนั้นเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งจบ